ตาตาตเวพาตาโรนยักามหารนเยวาสิตลามหิตทธิกาเฮสุนติสาธาวโดราสัพุริตาตั้งลายตั้งนิ่งใจมวลหมูอันนั่งอยู่ใหญ่ <c oughs> จุงตั้งใจฟังต่อถึงนางนอสุนันตากับกัญญากอมใจแอวซอไซบุพพาเก็บมาลาดวงดอกเล่น ย, อ ย, อยอ่อหยอกเยบ้านในสวนอุยนานใหญ่กว้างตีจิมคางปุรีบอหูมียักษ์ใหญ่จักมาไล่ป้าเอาตามดังเราจักกล่าวฮือรู้ข่าวบัดเดียวนี้แน่นา ตาตาในกาละนันไซยังมียักษ์ใหญ่อาทำอยู่ดงดำเถือนทองสองปีน้องจอมกันริ้ที่ันหลายแหล่แต่เจ้าแฟไพศนลยักษ์ตามุนผู้ปีนาบอกี่ใจว่านใจสวกฮานเฮาหาดจืออนุราชยักษ์ขา สว่วนอนุชาูนน้องจบจูห้องบนยันจื่อกุมพันยักกาไตาปืนฝ่ายินกวยักษ์สองตัวปีน้องเดรปีทองผังกา <c oughs> ดูงามตาเวลาคือภาษาใส่สีกางดงรีป่าไม้ตีจิมไกเขาอยู่กันท้อนกันมันนอนหนึ่งเตื่อใจบ่เอืออันใด สามปีในจริงเตือนกันนาจืนดีมากก่อเสาะหาแรดจางซับ ป, ปากวางดงดานมาเป็นอาหารเลี้ยงไสแอล่าไข่ดงตัน <c oughs> ยังมีวันหนึ่งสอดกลุ่มพันหอดปลาลาือยักษ์ขาผู้น้องกึดใจปองแดนไก่มักไข่ไปต่างเต็ดแอล่าเขตเมืองคน มันสวาดมนบอดจ้าจะสะยองขึ้นฟ้าบัดเด็วรีปลัดเร็วจะใจค้ำป่าไม้ดงนาก่อพุทมารอดห้องห้องเขต้องปัญจาลนาคอนยักดงดอนเล่งพ่อหันใส่จ่อตรงใจอันเสนาในาควัดแข่งเต็มจูแห่งอาณา ตั้งโยธาจังมามีเป็นตาดวงลายวังแวดใยเต็มไขสวนดอกไม้วิญญาณหันนงคันยอดซอยงามจื่อจ้อยสุนันตากับนางกัญญามวลมูลาเล่นอยู่จมดวงกลางสวนดวงดอกไม้จิตปันไม้ปิญญา ว่านางนันนางามอา ด, ดังนางนาดกินนาเรลักขณานาดีใจจ้าดังอินเจ้าฟาลงเหล่าก <c oughs> วรกูเอาเมื่อไห้อยู่ตีไกปิงแปงไววเฟื่อแฝงรวมสร้างที่ป่ากวางดงตันกันกุมพันเกิดแล้วก็เสวแลงมา ด้วยเต่จ้าองอาจเป่งสิหานาจปูนกัวเนรามิตตัวอันใหญ่อุ้มเอานางนอไทยสุนันตาขึ้นเวหาบ่จ้าปิกปอกนาสูหิมมาปานสวนโยทาหารอ่านหมื่นก็แตกตื่นกวัวตายเล่นพันภัยฟังเฝ้าลมกิ่งเต้าเต็งกัน จูไภัยมันเล่นกว่าบ่อปอกนาขึ้นหลังละเสียงยังมกนาตังรถราดแล้วยาวดาบคมเข่าบ่อเอือพองผ้าเสื้อบ่อติดตัวย้อนความกลัวเฝ้าฝังเล่นนาตังหกโยนฝุงรีปนแตกปุ่งเหตุสาดุงพิมานเสียงจ้างสานร่องแสนหกวิ่งเล่นเป็นสาย ย่ำคนตายหลายแลฝุ่นฟุ้งแผ่บังตาโคามนาบ่อรู้เข้าลี้อยู่ไปไหนพองเล่นไว้กว่ามูรีบเข้าสู่ปุรีพองก่อนี้เข้าป่าเอาตาังนาเป็นไปก็มีหันแลยนาะ ส่วนว่านางสูนันตานอเ น, า, นาอัญยักเทาปาดีใจบดีตกสาลังตุกแกนกังภายในปานดังใจจักขาดกลัวจักหยาดลงมากลัวยักหากั้นกาปร้อนสาราตั้งคิงจอมนางยิงร้องให้ ขึ้นสอดไข่ไปมาวักกำสังจ้าปังกอนมาจักสนน้ำตังเฮกูนางนัดต้องได้ผ่าของปาราพระมารดาหนังเก่ากับปี่เจ้าองค์คำบอกไข่กำปันขาดบ่อนุญาตปงวางตนกูนางนัดน้อยบ่่อยู่ถ่อยคำสอน ยังขอบอนจะาใจอย่าร้องให้ปริเตวนาไขกำจาจมสามพ่อแม่ห้ามบอเอากรรมป่าปะกรรมอันใหญ่จริงตกใส่ตนกูออกมาจูยักเทาดังเมาเข้าหาไฟโบราณไขว่าไว้ ว่าลูกน้อยใหญ่ยิ่งใจจักบำไว้ตกยากแะลำบากอาณาธาญอนละสาพระมาตยังโอวาตกองทำบ่อนับกรรม่อแม่กรมเท่าแก่ตาน้อยกรรมเพื่อนใหม่ว่าไว้คือหากใดตนกู นังบุญจูแม่ไทยหากคำไว้หลายตีเจ้าปุรีตนปีก่อกเกาจีลายแสงกูป้อยแข่งขาดางใจบอ่อางคำสอนจากเมื่อมอนบวยหมดอดบ่มีรอดตั้งใดนงังนองไว้ร้อนไม่ร่องรำให้หลายพักการกอบีหันแมนะ่นา <c oughs> โอยะคออันว่ายะกุมพันใจเศร้าอุ้มนอนเอาสายใจไปเร็วไว้บ่อจา่าดันเบกฟ้าไปบนถึงไรสนป่าไม้ตีจิมไกอยู่กันทอนกเอาสะรีบังอน้น่าต้องลงสู่ห้องดงรี <c oughs> ด้วยฤทธีองอาจก็เนรบิดภาษาเจียง้านดังวีมานฝากฝ้างามส่งาวันไวตั้งขวัวใบเสืองใจข้าน้อยใหญ่ยิงใจโพชนาลายรถยิงพ้อมตกสิ่งนานายักปาลาบาัไปเนรบิดไววจุผักการ ทั้งส่นวนอวิญันต์ดวงดอกพงกี้ออกบานงามดอกบัวจามดอกป่านมีจู่ด้านโบคกรณนีดอกไม่มีลายแลพงบานแผงงามตากินกันท่าหอมสวาวนลมปัดผ่านเอาใจยักดงไัยเพลดเทาก่อเนระมิดเล่าตัวมัน มีผิวพรรณฟ่งองแผวเ ล, เล่าเลิศแล้วเหลือคนดังเตวบุรบนจันฝาปัดผากนาลงมาเอาสุนันตาหนาต้องขึ้นอยู่ห้องห่อใจ น, นางสายใจนอนเด า, า, าบอกหูยักเท่าแถลงเป็นก็อยู่เย็นจุ่มเนือใจไฟเอื้อยินดีกับยักษ์ผีเพดเ ท, ทา <c oughs> กลางป่าเศร้าดองตันใจบ่หวัน่นกึศปองถึงเขต้องเมืองลังกอมีหั่นเลนาโจตะโกแม่นมีผู้มาจากเก่า ว, วานางลูกเต้าสุนันตาทารงโสอพาบ่าเศร้าเป็นลูกเจ้าเจ้าเมือง ยาสะเรื่องบ่อน้อยใดยักถอยเป็นผัวซานุกนัวจือนโซกับยักปูกุ้มพันใจบ่หวัน่นเกิดเล่าถึงบ้านเก่าเมืองหลังวิบากสั่งคืนขอบซะยองตอบนางจ้าแม่นมีผู้มาทำดังนี้พระหากจี้ไขรปัน ว่าสีสุพรรณเนาวงามบัวสาวสุนันทาแต่หลังม้าหลาจชาตังน้อยนาดบุญเรืองเกิดในเมืองหนึ่งไซถ้าหมอไดไรยอนาถาได้สามิกาแกเท่าฟันบุมเบ้าหนังยานก็ตำการตุนจ้านางกอดาพระภาย <c oughs> ว่าให้ลลยเหลือแลว่าปูเท่าแก่หลังโกเท่าปาโลนยักเพลทกวนเข้าเขตตั้งตายเท่าเสียได้เท่าเป่ากินเข้าเน่าเสียลืมเท่าหลงลืมหลังดาเท่าอยากจ่ า, าทำนางไข่กัมกยายด่าขานาพวัวตนอากุศ น, นันใสมาไล่ได้ตนนาง ื้อใจจางจาก้องคงเขตต้องห่อคำไปตกลำป่าไม่ได้ยักษ์ใหญ่เป็นผัวนั่นและนาะถ้าสมัยเหตุนั่นใส่ยิงโลกไต้ตั้งลายอย่าตีตายไม่ยจ้าอย่าแจ้งดาผัวตนอย่างานงนโคตเเฮาอย่าว่าเก่าดูแควน บากจากเตนตอบต้องดังนางนาน้องสุนันตาแม่นสามิกาหนุ่มน้อยเรือเท่าถอยรวยแรงจุงยำแยงอย่าขาดอย่าผาหมาดยำใดดังพระไข่กาไว้ว่ายิงโลกไตตั้งลายแม่นใจไม่เจตองไข่เกิดทองเมืองสวรรค์จุงเอากันดมไว้ ยังไฟใหญ่เฮือนตัวคือว่าผัวและป่อแม่อย่าเวนแหว่ยำได้พ่อใส่ใจปินเก่าแม่เป็นเจ้าเนื้อหัวกับตนพัวร่วมค้างพระเก่าวอ้างว่ากองไฟแม็นยิงได้ผ้าบาทยมบอการอาบายบาปกําลายบ่อน้อยจักจังห้อยตัวไป แม่นยิงใดน้อมใบยังไฟใหญ่ตั้งสามคือปฏิบัติตามแบบเบาอันนักผ่าเจ้าสอนมามันปู่จ่าใจาาถือหากใดยำแยงป้ อ, อจะแข่งก็ยา บ, บอขานาดหิงสากันไกลกาจ่กคองโคงเขตต้องเบืองคนย่อมเอาตนไปเกิดติจันฝ้าเลิดไปบนบอ่อนยาจเจรนา ทีนี่จากวันนาณาจะเล่าถึงที่เก่าปัญจาละนากรกันยักดงดอนป่าเศร้าเอานางหน่อเน่านี่ไป <c oughs> เสนาใดลายหมู่เล่นเข้าสู่ปราราไปทุนสากาลับไปซึ่งแม่ไทยเตวีกับเจ้าปุรีตนปีหืรู้ทีตามการ <c oughs> กันฟังสารแจ้งข่าวกุศลเตา้าหอใจกับใส่ใจเจ้าแม่โศกตุกแพร่เต็มตนดังไฟลน้นเอาไหมร้องรำไห้ปริเตวานาเหตสีเนหาบ่อแล้วยังนงังนอแก้วอุดมโศกตุกทุมดีบแน่นหายใจแก่นเครื่องกาย หลวดซ่ายกตายมวยหมอเตาวลมต่อตัวตนโกละหุนอันใหญ่เกิดขึ้นไข้หอใจเสนาในหนุ่มเท่ารีบเล่นเข้ามหาพ่องตกยาดีเขาใส่พ่องร้องให้โอ้ยค้างมหาปางยุ่งยาแพลสาราหัวใจดูกังไหลแต่เราตั้งหนุ่มเท่ายิ่งใจ นางบุญภัยแม่เจ้ากำลูกเต่าราชาคือผาญากุศราชโศกตุกบาทหัวใจกันตายไปบ่จ้าสองเจ้าฝ้าก็ขึ้นมาก็มีหันและนะ <c oughs> ตาต่อปัะธานยาแรกแต่นั่นไปไปนาบน่เนินจ้าหึงน้านังน้องคานผู้แม่ตุกนักแก่ทุมใจ เหตุอะไรบอแล้วยังโลแกวสุนันตาัญญักาบาปกาคุบจริงกว่าดีหายบอกหูตายมวยมากงรือรอดข้างแดนใดบอกหูไกหรือไกผ้าแม่ไทยขะนิ่งมองน้ำตาน้องบอกขาดโศกไม่บาดมองขีพโจนาดีบอกพ่อบายหน้าต่อกองตัง เอือื้อค้างร้องไห้บ่เวียนไว้วันใดโรคกาไฟผาหาดใดโอกาสเร็วปันมาติดวันถูกต้องยังแห่งห้องสันดาบบนบ่ปอนนนแต่เหล่านางแม่เจ้าเตวีกอดับอินทีกากาศชีวิตขาดมารณา อันว่าผาญากุศราตุกมาปาดเดือลายตุกยักภายเพจกาเอานอกกว่านี้หายตุกแม่ตายผักข้างบ่พีวางเจบ้านก็ทรงสักการแม่เจ้าตามรีดเก่าเดิมอ่อนก็มีฮันแหละนะา ามารมทังประกาศเซนโตสัทธาศาาสัทธาสัพพัญญยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจง้งพระจิงแสงเตสนาวาพิกาเวดุราพิกุตั้งหลายอันนั่งย้ายเป็นหมู่พ้อมน่าอยู่โรงธรรม อันว่าเจ้าหอคำกุศราตุกใบ ม, มาทมนาคันิงหาบ่อแล้อย่างน้องแก้วใสใจอันอยากไปหยากจ้าเอานี่กว่าหายตาสัมบันดาแม่เจ้าก็ดวนเขาเมื่อมอนพระผู้ทอนกุศราตุกมาปาดสองสถาน อาสํารานบ่ได้ใจปั่นไม่เรร้นกวัางเบาวนคำเจ้าบ่รู้ ข, ขับเขาง่ายแรงก่อมีหันแลยนาต <c oughs> ีนันอามาตผู้ใหญ่อันเต้าใสไว้ต่างตาหันราชาเป็นเจ้าตกโศกเศร้าเหลือการ บ่สำรานสักยาดเยี่ยวเต้าราดเมื่อมอละนากอนไววเป่าบ่มีเจ้าธรงเมืองกำแกนเคืองลายแหล่จักเกิดแพรตัวมาฟุงพาญาต่างดาวจักมาเน่าเอาไปจุมคนน้อยใหญ่น้อยตั้งขาคอยเสนาเจ้าพระเจ้าน้อยใหญ่จักเดือดไม่เลือล้าย ควรอูบอยสอนเกา่ายังตันเต้าตามกองฮือหายมองโศกเศร้าได้เป็นเจ้ายืนไปกันกึดใจดังนีแล้วอาบาดแก้วต่างตาก็ใค่จะาบอกหมูฮือได้หูตามการแล้วฮือพรหมนาจาย์ผู้เทา อ่านรีดเก่ากำรมธรรมอันกะตำบอกขาดเจนเต่าราดองอ่อนเป็นคำสอนแต่ไทยรักษาไว้เหมือนมา <c oughs> พระมาดาฟูชลาดภาวาิวันจุลีไขวตีอ่านเล่ายังรีดเก่าคำสอน เออผู้ทอนเต้าไทยกึนขวาดใดสัญญาวาพ้นโตดูราเปืือนตั้งลายตั้งยิงใจใหญ่น้อยจุงจะแกวยฟังราคนเกิดมาในโลกมีสุขทุกโศกสุนกันกำไยมันแต่งสร้างบ่อาจมั่งพระนี ห้องเป็นดีมังเต้าบ่อโศกเศร้าการได้เงินคำใสหลายแหลจ้างมาแพเดือหลาย้ายิงใจจวยใจอยู่ตีไกอาสาปุงโรกาเมย์ไครบ่อมาไกอินทีทร ส, สาดีเตียงเต้ามีลูกเต้าเมียแปง บ่ใจแข็งต่ำต้อยย่อมอยู่ท้อยเอากำใจบ่ดำฮึกหยากเป็นจากบาปนานาพ้องเกิดมาอยากไรตุกโศไม้เหลือใจบ่มีภัยช่วยกำเขาและนำขาดและงง่ายปีน้องหายผ่าค้ัง คนอื่นอ้างเตียนควันเปียที่พันเกิดต้ อ, ตองในแห่งห้องกาญามีนาณาตางตางกรรมหากสร้างปามาสป้าสัตตาสัตนานาโลกใต้บ่เว้นไว้สักคนเว้นมาจนจู่ผู้บอกว่าอยู่แดนใด ดังพระไคบอกไว้ว่าคนโลกใตยิงใจมีใจหม่ใครเว้นดีจากเส้นเว้นกรรมเว้นจักดำน้ำใหซ่อนอยู่ใต้กงกระหรืออยู่หลือดพาวยหาดอยู่อากาศปายบนหรืออยู่ไัยสนป่าเศร้าเมื่อเว้นเก่ามาตันไผ่อพันหลีกได้ บ่เว้นไว้คนใดถึงอยู่หอใจเป็นเต้ายดภาพดาวปัตตวีเป็นเศรษฐีปอก้าเป็นกำ้าอนาถาเป็นคนป่าลาห้าหาเป็นนักผาถรงยานเมื่อเวนปานมาปาถไหบ่อาจตัดบั้นและนะ ต่างสุดว่าผาญกุศลราดฟังโอกาสกรรมทำโศกนา้ำแต่ก่อนก่อไม่ฟันบางเบาปอบันเต้าไว้ใดบ่โศกไม่เรือการก้อยสำรานเตือนน้อยนาจื่อจ้อยใส่สี วันนาดีดังเก่าอาหมัดเก่าออกคนในตัง้งไผ่ใต้จูผูยินจื่อสูเใยบ้านสาธุการสาสาวนั่นตัวดาวปุรีและนาตาตานันตรังลำดับนั้นไปนาบ่อเนินชาหึงนาน ปูโรหิตอาจารย์ผู้เทา่าอามาดเก้ากว่าโยธาก่อปึกษาพร้อมนาจากเอเจ้าฝ่าบุญมีมีเตวีรวมคางจ่วยก่อสร้างปารากันปึกษากันแล้วก็ไปนำนางนอแก้วยิงราม ละกา า, างามใจเจ้าพงขึ้นนาเป็นสาวชมเปิงเป้าสะอาดโอ๊กอามาัดคนในห น, น้าตาใสนิ่งเย้มดังจังเต็มหากฤษนาเจอสุวนนรรณปะพานอเนามาเป็นเจ้าเทวีสะเวยปุรีภาสาดร่วมเต้ากุศราชองค์คำก็มีหันและนาะ ที่นี่จากวันนาน า, นาจะเล่าถึงนางนอนเ n o สุน n a n าอยู่ดงนาป่าไม้กับยักษ์ใหญ่กุ่มพัน <c oughs> ปีเดือนวันปันไข่นับอ่านได้ปีปลายนางขิ้งภายหล่อเบากอได้ลูกเต่าคนยิง โชมเป่าปิ้งสะอาดดังดังนาดเมืองสะวันยักษ์กุมพันหักมากบ่เอภากไปไหนกันถึงวันใจมารอดก็ใสชื่อยอดที่ได้เฮเป็นนามาผ่องแพ่วหวานางหน่อแก้วสุวรรณรังสีก็มีฮันแลนา ต่อปัะธาญยาแรกแต่นั้นไปนานาังนอลาสุวรรณนรังสีจำเริอนดีขึ้นใหญ่อายุได้สิบหกปีทารุโชมดีล้วนทวนเนื้ออ่อนอวนสุขมุมันอยู่สำราญบ่าขาดในภาษาตัวันไว้อันใสใจป่อไทยเนรมิิดไว้เดิมอ่อน <c oughs> กลางดงดอนป่าเศร้ากับแม่เจ้าจอำควานใจบ่พันกึดปองถึงแห่งห้องเบืองคนก็มีหันและนาตาตาในกาลานั้นอันว่ายักษ์กลุ่มพันตนป่อกึดใจต่อแดนไกมีหัวใจไว้วันไข่เอวดันดวงดอนถึงนาคอนตันเต้าอันอยู่ดาวนานา จิงสั่งละโลกเตาและเบียน่อนเาใส่ใจและออกกะไก่ย่ายบาดจากภาสาเชียงคานกอมีหันและนาต้ามทังประกาศเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาทถอยบาลี อดหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสานาว่าพิงข้าเวดุราพิกุตังลายอันเป็นสายอริยจารยอันว่ายักหาหาดกุมพันอยู่หอจันภาสาสกับนางนาตุนันตา แล่ทีด่ด้นอนน้อยงามจืน่นจ้อยสุวรรณรังสีกางดงรีป่าไม้ที่จิมไกอยูก่กันทอน <c oughs> ยินอวอนบ่แล้วกึ้นไขอ่แดนไก่จริงจกักไข่บอกเล่าแก่ลูกเต้าและเบี้ยแปง เือหันแสงแจ้งที่บอพีิีิสังกาว่าจักไปแอวดงนาเปาไม้ฮือเสียงไข่ดงดอนพราถึงนาคอนต่างเต้าอันอยู่ดาวเมืองคนแล้วจกักคนปิกปอกวายนาออกขึ้นมา คนใครจะบอกแล้วก็อเอาธนูแกวเตรียมใจกับสตีกันใจเถียนกาสะยองขึ้นฟ้าบัดเดียวไปรีบเรลวจะใจ <c oughs> ข้ามดอยใหญ่ดงดอนพดถึงสะกอนแม่นำ้ำอันกว้างลำสุดตามันกิดตานาะไข่าอาบีตาราบดอนตาย ยกผีพายบอดจ่าลงจากฝ้าบัดเดียวก็อยอย่างเตียวแอวเล่นพอนำเต้นตีฟองปุ่มเปือกน้องขาขึ้นปูปงขึ้นเป็นสายแต่ข้าใจสวะสวาตามตีตาสายงามเงินคำลำหลายแหลมมีตุกแง่ดอนสาย กันมันหายหิวหอดก่อคืดสอดในใจว่ากวนกูไปต่าใจถึงเมืองใหญ่นาคามันก็สวดคาถาองค์อายอดแห่งสวดท้าสิ้นลงดำดินไว้ว่องพดถึงห้องเวียงใจ มีในตาำไตดูกว้างใหญ่สุดตามีโยธาโยเฝ้าพระตูเขาเวียงใจหอคำใส่สว่างแจ้ง <c oughs> ทั่วตุกแห่งเล็งหันดังตาวันสองตองตัวแห่งห้องเมืองคนยักตามนไปรอดก่อเข้าจอดศาลา แล้วใครจะบอกเราตั้งแต่เก้าถึงปลายแก่หน้ากลายน้อยใหญ่ว่าเรานี่ได้ยินมาว่าพาญาสูเจ้าตนเป็นเก้าทรงเมืองอยะสะเร่ององค์อาจจบฉาลาดด้วยสักการเรานี่นาะใครรู้จริงมาสู่เมืองสู เพื่อจามดูฮหือแจงเหือเสียงแห่งสงสัยสู่จุงไปอย่าจ่าไปไวเจ้าฝ่าบัดเดี๋ยวนี้แดดเตอรเอทีตั้งขีญยาสังวันนาน า, นาวิเศษจาห้องเหตสังสินธนูใจผูกทวนสอง ยักถามลองกับนาด้ดยอันเล่นมากสักกาคนใดจะจักแฝกไกวหูแน่ป่ายลุ่นกอบังกมสมเล็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล